ซึ่งสมัยนั้นเกิดเป็นคนวันณจันทานช่างทรมานคนที่ถือตัวราะชาติอย่างไรเป็นเรื่องหน้าขันพอใช้พรามคนที่อยู่ใต้น้ำหรืออยู่ในทิศ ท, ทางที่กระแสน้ำจะไหลมาถึงที่หลังนั้นเป็นคนถือชาติมีมา n นะคือความถือตัวจัดวันหนึ่งมาตังคา์ดาบดทซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เคียวไม้สีฟัน